Book 2เจ็ดสิหเหตุผลบางประการสองทำไมคุณไม่ได้มาล่ะครับผมไม่สบายครับ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 เพราะเธอเนท่ไมออ่นเดียทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะครับเนไมเชืเขาไม่มีอารมณ์ครับนิมอลคุตเขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาครับนิปริเชลเพาไมติทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะครับ รถของเราเสียครับนัชเเราไม่ได้มาเพราะรถเราเสียครับเ i ี่ยพริชลิสเม่เ o ราะ e n นัชาทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาครับพวกเขาพลาดรถไฟครับ พวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟครับเนปริาทำไมคุณถึงไม่มาครับผมไม่ได้รับอนุญาตผมไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาต Nepřišel s o m lebo som nesměl.